อุปนิสัยปัจจัยร้อสองสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอุปนิสัส vale. awesome. สยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตรูปานิสยะและปะกะโตปานิสยะปะกะโตปนิสยะได้แก่สุขทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและภารสมาบัตโดยอุปนิสัยปัจจัยทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและภารสมาบัต โดยอุปาณิสยปัจจัยพระสมาบัติเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณูปาณิสยาและประกาศตูปาณิสยาประกศตูปาณิสยได้แก่บุคคลทําสุขทางกายแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลและถึง ทำลายสงฆ์ทำทุกทางกายแล้วจึงให้ทานสมาทานศีลทำลายสงฆ์สุขทางกายทุกทางกายเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาและถึงความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอุปาณิสยปัจจัยจมีสามอย่างคืออรมณูปาิสยอนันตโรปาิสย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 เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออารามณูปาณิสยาอ น, นันตารูปาณิสยาและปะกะตูปาณิสยาปะกะตูปาณิสยาได้แก่บุคคลทำศรัทธาแล้วจึงให้ทานละถึงมีมานะเถอทิฏฐิทำศีลสุตะจาระปัญญาจึงให้ทานเถอทิฏฐิอาศัยราคะโทสะโมหะมานะทิฏฐิ ความปรารถนาแล้วจึงให้ทานทำสมาบัร์ให้เกิดขึ้นฆ่าสัตว์ทำลายสงศ์ศรัทธาความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่ศ ร, รัทธาศีลความปรารถนาโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ปฐมฌานบริกคำเนวสัญญานาสัญญายตนะเป็นปัจจัยแก่เนวสัญญานาสัญญายตนะปฐมฌานเป็นปัจจัยแก่ทุติยฌานอากินจัญญายตนะ เป็นปัจจัยแก่เนวัชัญญานาชัญญายัจณะโดยอุปาณิสยปัจจัยบริกรรมปฐมมักเป็นปัจจัยแก่ปฐมมักบริกรรมจัตุธรรมมักเป็นปัจจัยแก่จัตุธรรมมักปฐมมักเป็นปัจจัยแก่ทุติยามักทุติยามักเป็นปัจจัยแก่ตติยามักตติยามักเป็นปัจจัยแก่จัตุธรรมมักโดยอุปาณิสยปัจจัยพระเสขะธรรมมักจึงทำกุศลแลสมาบัติที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น มักของพระเสกขะเป็นปัจจัยแก่อัตปฏิสัมพิทาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะโดยอุปาณิสยปัจจัยปาณาติบาตเป็นปัจจัยแก่ปานาติบา ต, ต, าาา ต, บาตมิฉาทิฐิโดยอุปาณิสยปัจจัยมิฉาทิฐิเป็นปัจจัยแก่มิฉาทิฐิพยาบาทมาตุฆาตกรรมเป็นปัจจัยแก่มาตุฆาตกรรมโดยอุปาณิสยปัจจัยเป็นปัจจัยแก่นิยตะมิฉาทิฐิ โดยอุปาณิสยปัจจัยนิยตามิชาทิฐิเป็นปัจจัยแก่นิยตามิชาทิฐิสังคเพธกรรมโดยอุปาณิสยปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสองอย่างคืออนันตารูปานิสยาและปะกะตูปานิสยาปะกะตูปานิสยาได้แก่บุคคลทำศรัทธาแล้วทำตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรน เสวยทุกในการแสวงหาเป็นมูลทําความปรารถนาแล้วทําตนให้เดือดร้อนให้ร้อนรนศรัทธาความปรารถนาเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและพระสีมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัยกรรมที่เป็นกุศลและอกุศลเป็นปัจจัยแก่วิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยมักเป็นปัจจัยกับพระสีมาบัตโดยอุปาณิสยปัจจัย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 มรรคของพระอรหันต์เป็นปัจจัยแห่อัฏฐปฏิสัมพิทาความเป็นผู้ฉลาดในฐานะและไม่ใช่ฐานะโดยอุปาณิสยปัจจัยร้อสสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอุปาณิสยปัจจัยมีสามอย่างคืออาราโมปาณิสยาอานันตารูปาณิสยและปะกะตูปาณิสย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 ปะกะตูปานิสิยะได้แก่ปุตุโภชนะเสนาชนะเป็นปัจจัยแก่สุขทางกายทุกทางกายและภะละสมาบัตโ ด, ดยอุปาณิสิยะสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแส่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอุปาณิสิยะปัจจัยมีสามอย่างคืออารมณูปนานิสิยะอนันตารูปานิสิยะและปะกะตูปานิสิยะ ประกาศอุปนิสยาได้แก่บุคคลทำอุตุแล้วจึงให้ทานละถึงทำลายสงทำโภชนะเสนาชนะแล้วจึงให้ทานทำลายสง์อุตุโภชนะเสนาชนะเป็นปัจจัยแก่ศรัทธาความปรารถนาโดยอุ ป, ปนิสยาปัจจัยปูเรชาตปัจจัยร้อยห้าสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออรมณะปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่พระอระหันต์เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงและถึงกายรูปโพธพภะหาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ประจักขุฟังเสียงด้วยที่ประสตะธาต วัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปุเรชาตะปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นวิบากโดยปุเรชาตะปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่พระเศคารือปุตุชน เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตายินดีเพลิดเพลินเพราะปราากความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนะจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้วจิตตุบาที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถารมเห็นแจ้งโสตะหัยวัตุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงจิตตุบาที่เป็นวิบากจึงเกิดขึ้นโดยเป็นตถาโรม รูปายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณโดยบุเรชาตปะปัจจัยโผฏฐายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณวัตถุบุเรชาตะได้แก่จักขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากโดยบุเรชาตปะปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุแห่งเกิดวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยปุเรชาติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณปุเรชาตะและวัตถุปุเรชาตะอารมณปุเรชาตะได้แก่พระเสกขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุและถึงเพราะปราบรุปความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนั้นจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสตะและหัตยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยง โทมนัจึงเกิดขึ้นเห็นรูปด้วยที่ประจักษ์ขุฟังเสียงด้วยที่ประโสตธาตุวัตถุปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปเรชาตะปัจจัยปชาชาตะปัจจัยร้อยหสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยปชาชาตะปัจจัยได้แก่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 อ, อาเสวนปัจใจร้อยเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให nope. like ้เก <Anyways. S 2> ิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอาเสวนปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเกิดก่อนๆเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเกิดหลังหลังอนุโลมเป็นปัจจัยแก่โคตระภูอนุโลมเป็นปัจใจแก่โวทานโคตระภูเป็นปัจจัยแก่มรรคโวทาน เป็นปัจจัยแก่มากโดยอาเสวนาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอาเสวนะปัจจัยได้แก่ขันธ์ที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากซึ่งเกิดก่อนเป็นปัจจัยโดยอาเสวนาปัจจัย ปัจจัยร้อยแปดสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยกรรมปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยกรรมปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่เป็นวิบากละถึงสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรรมปัจจ <Yes, S 2> ัยได้แก่เจตนาที่เป็นวิบาก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 และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมะปัจจัยในปฏิสนธิขณะเจตนาที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตขันและกระตัษตารูปโดยกรรมะปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมพยุตตะขันโดยกรรมะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก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 สหาชาติได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยใสจิตตสมุทฐานรูปโดยกรร ม, มปัจจัยนานาคณิกะได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยใสขตัตตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแใ่สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรร ม, มปัจจัยมีอย่างเดียวคือนานาคณิกะ ได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและกระตาตารูปโดยกรรมปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากและที่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่จำประยุติขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยกรรมปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยกรรมะปัจจัยได้แก่เจตนาที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สัมประยุติขันและจิตตะสมุทาในรูปโดยกรรมะปัจจัยวิปากะปัจจัยร้อเกสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิปาก โดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่ขันสามโดยวิปากะปัจจัยในปฏิสนธิขณะละถึงสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยวิปากะปัจจัยได้แก่ขันที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปากะปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิปาก เป็นปัจจัยแก่กระตารูปโดวยวิปากับปัจจัยขันเป็นปัจจั ย, จยแก่หทายวตถุสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยวิปากับปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตสมุทานรูปโดยวิปากับปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสาม และกระตดตารูปโดยวิปา ก, กับปัจจัยอาหาระปัจจัยร้อยสิสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิปากโดยอาหารปัจจัยได้แก่อาหารที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันมีสามวาระพึงทาแม้ปฏิสนธิให้เป็นสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก โดยอาหารปัจใจมีสามวาระสภาวธรรมที่ไ uh, ม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอาหารปัจใจได้แก่อาหารที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุฐานรูปโดยอาหารปัจัยกวลิงกราหารเป็นปัจจัยแก่กายนี้โดยอาหารรปัจัย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 และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่อินทรีย์ที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมยุตตะขันและจิตตสมุทานรูปโดยอินทริย์ปัจจัยรูปปชีวิตอินทรีย์เป็นปัจจัยแก่ขตตารูปโดยอินทริย์ปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นวิบากโดยอินทริย์ปัจจัยได้แก่ จากขุนศีเป็นปัจจัยแก่จากขวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยกายินรีและถึงสภาวธรรมที่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิปากโดยอินทริยปัจจัยได้แก่จากขุนศีและจากขวิญญาณเป็นปัจจัยแก่ขันธ์ที่สหรคตด้วยจากขวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยกายินรีและกายยาวิญญาณ เป็นปัจจัยแก่ขันที่สหรูปด้วยกายวิญญาณโดยอินทริยปัจจัยชานะปัจจัยร้อสบสองสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยชานะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยชานะปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบาก เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากโดยชานะปัจจัยได้แก่องค์ชาณที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและจิตตสมุทฐานรูปโดยชานะปัจจัยมรรคปัจจัยร้อสภาวธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิปากโดยมรรคปัจจัยมีสามวาระ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 สัมปยุตตปัจจัย1ิบสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยสัมปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันธ์หนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สาขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองในปฏิสนธิขณะละถึงสภาวธรรมที่เป็นเหตุที่เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสัมปยุตตะปัจจัย สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแฝงสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสัมปยุตตะปัจจัยได้แก่ขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองโดยสัมปยุตตะปัจจัยวิปยุตตะปัจจัยร้อยสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยวิปยุตตปัจจัยมีสองอย่าง คือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตะปัจใจในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กตตารูปโดยวิปยุตตะปัจใจขันเป็นปัจจัยแก่หทายวัตถุโดยวิปยุตตะปัจใจปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นวิบากเป็นปัจัยแก่กายน้ที่เกิดก่อน โดยวิปยุตตะปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยวิปยุตตปัจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก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 โดยวิปยุตตปัจจัยปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยวิปยุตตาปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่กลายนี้ที่เกิดก่อนโดยวิปยุตตาปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบาก โดยวิปยุตตะปัจจัยมีสองอย่างคือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยวิปยุตตะปัจจัยปุเรชาตะได้แก่จากขายตนะเป็นปัจจัยแก่จักขวิญญาณกายายตนะเป็นปัจจัยแก่กายวิญญาณหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยวิปยุตตะปัจจัย สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยวิปยุตตะปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่หาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้เกิดวิปากโดยวิปยุตตะปัจจัยอธิปัจจัยร้อยสิบหสภาวะธรรมที่เป็นวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นวิปากโดยอธิปัจจัยได้แก่ ขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามในปฏิสนที่ขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามสภาวะธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและปัจฉาชาตะสหชาตะได้แก่ขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่จิตตาสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัย ในปฏิสนธิขณะขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยเกิดกระตารูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เก um> ิดก่อนโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยได้แก่ขันหนึ่งที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสาม และจิตตสมุทานรูปโดยอธิปัจใจในปฏิสนธิขณะร้อยสิบเจ็ดสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจใจได้แก่ขันธ์สองเป็นปัจจัยแก่ขันธ์สองโดยอธิปัจใจสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแกส่สภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจใจมีสองอย่าง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 และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่ขันสามและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยขันสองเป็นปัจจัยแก่ขันสองและจิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยมหาภูตรูปหนึ่งและถึงมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปและกัตตารูปที่เป็นอุปาทิยรูปโดยอธิปัจจัยและถึงที่เป็นภายนอกที่มีอาหารเป็นสมุฐาน ที่มีอุตุเป็นสมุฏฐานสำหรับเหล่าอสัญยาสัตพรมมหาภูตรูปหนึ่งและถึงปุเรชาตะได้แก่พระอรหันต์เห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นแจ้งโสตหะทยวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงเห็นรูปด้วยที่ประจักษุฟังเสียงด้วยที่ผโสตธาตุหะทยวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุที่เกิดวิบากโดยอธิปัจจัย ปัจฉาชาตะได้แก่ขันที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแ่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยกวลิงกราหารเป็นปัจจัยแ่กายนี้โดยอธิปัจจัยรูปชีวิตตินสีเป็นปัจจัยแก่กตัดตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิบากโดยอธิปัจจัยมีสองอย่าง คือสหาชาตะและปุเรชาตะสหาชาตะได้แก่ในปฏิสนธิขณะหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยอธิปัจจัยปุเรชาตะได้แก่พระเสขาหรือปุตุชนเห็นแจ้งจากสุดโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงยินดีเพราะปรารุความยินดีเพลิดเพลินจากสุนั้นราคะจึงเกิดขึ้นโทมนัสจึงเกิดขึ้นเมื่อกุศลและอกุศลดับแล้ว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 เป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นวิบากโดยอธิปัจจัยสภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยมีอย่างเดียวคือปุเรชาตะได้แก่พระเสขะหรือปุถุชนเห็นแจ้งจากสุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงละถึงยินดีโทมนาจึงเกิดขึ้นเห็นแจ้งโสต หาทายวัตถุโดยเป็นสภาวะไม่เที่ยงทมนะจึงเกิดขึ้นเห็นรูปด้วยที่ประจักผุหาทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันที่เป็นเหตุให้งเกิดวิบากโดยอธิปัจจัยร้อยสิบแปดสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิปากไม่เป็นเหตุให้งเกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นวิบากโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะสหชาตะได้แก่ ขันหนึที่สหรคตด้วยจักผูวิญญาณและจักขายาตนาเป็นปัจจ <t> ัยแก่ขันสามที่สหรคตด้วยกายวิญญาณขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามในปฏิสนธิขณะขันหนึ่งที่เป็นวิบากและหทายวัตถุเป็นปัจจัยแก่ขันสามสภาวะธรรมที่เป็นวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่ไม่เป็นวิบาก และไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยมีสี่อย่างคือสหชาตะปัจฉาชาตะอาหาระและอินทรียะสหชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นวิบากและมหาภูตรูเป็นปัจจัยแก่จิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยในปฏิสนธิขณะขันธ์ที่เป็นวิบากและมหาภูตรูเป็นปัจจัยเกิดขตตารูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ ขันธ์ที่เป็นวิบากและประเวณีกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ละถึงขันธ์ที่เป็นวิบากซึ่งเกิดภายหลังและรูปชีวิตตินสีเป็นปัจจัยแก่ขจตารูปโดยอธิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอธิปัจจัยมีสองอย่างคือสหชาตะและบุเรชาตะ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 ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและมหาภูตรูปเป็นปัจจัยแก่จิตตะสมุทฐานรูปโดยอธิปัจจัยปัจฉาชาตะได้แก่ขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากและกวริงกราหานเป็นปัจจัยแก่กายนี้ที่เกิดก่อนโดยอธิปัจจัยขันธ์ที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งเกิดภายหลังและรูปชีวิตินจีเป็นปัจจัยแก่กัตตารูปโดยอธิปัจจัยนาถิปัจจัย วิคตปัจจัยและอวิคตาปัจจัยร19ยสภาวะธรรมที่เป็นวิบากนาทิปัจจัยและวิคตปัจจัยเหมือนกับอนันตรปัจจัยอวิคตปัจจัยเหมือนกับอัติปัจจัย ปัจญานุโลมสองสังขยาวาระสุทไนร้อยี่สิบเฮตุปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณปัจจใจมีข้าวาระอธิปติปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตาปัจจัยมีสิบเอดวาระอัญญมัญญปัจจัยมีเจ็ดวาระนิสยปัจจัยมีสิบสามวาระ ปูานิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอเจวะนปัจจัยมีสองวาระกรรมปัจจัยมีเก้าวาระวิปากปัจจัยมีสามวาระมหาราปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเก้าวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมคคปัจจัยมีเจดวาระสำปรยุตปัจจัยมีสามวาระ วิบยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจัจมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระสภาข้านอธิปฏิปัจจใจขะเพตุปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจใจละถึงมีเจ็ดวาระอัญญมัญญาปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีเจ็ดวาระ วิปากะปัจจัยมีสามวาระอินทรียะปัจจัยมีเจ็ดวาระมกะปัจจัยมีเจ็ดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีสามวาร ะ, ร ะ, ะ, จจาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระพึงขยายให้พิจาดาาเหมือนการนับอนุโลมแห่งปัญหาวาระในกุศลติกะที่นับไว้แล้วอนุโลมจก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 โดยอรรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยอุปาณิสยปัจจัยและปัจฉาชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิปากและที่ไม่เป็นวิบากไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยสหชาตปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดวิบากโดยอรรมณปัจจัยสหชาตปัจจัยและอุปาณิสยปัจจัย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 สหชาตปัจจัยอุปานิสยปัจจัยปุเรชาติปัจจัยปัจฉาชาตปัจจัยอาหารัปัจจัยและอินทรียปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปากเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นวิปากโดยอารมณปัจจัยสหชาติปัจจัยอุปานิสยปัจจัยและปุเรชาตปัจจัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นวิปากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิปาก